มาบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนพี่น้องประชาชนอันนี้บาปนะอันนี้บุญเนะี่ยอันนี้คุณนะี่อันนี้โทษนะีน่ยนรกสวรรค์มีจริงนะตายแล้วเกิดนะตายแล้วไม่สูญนะตายสิ่งที่เกิดมันมีนะต้องศึกษาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อันนี้ก็คือแ น, แนวทางอันนี้ว่าธรรมะฐานคืออบรมทางความรู้ทางด้านจิตใจเป็นแนวความคิดทางด้านจิตใจอันนี้ว่าธรรมะฐานและอภัยยะาน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 มีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจแฉลบไปทางอื่นปุ่งฟงไปทางอื่นให้จิตใจนิ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเมื่อจิตใจหรือภัยของพระองค์อยู่นิ่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกมีสติสัมปะชัญญะอยู่ตรงนั้นจากนั้นภัยหรือใจความรู้สึกของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง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 เ, เมื่อต่อไปเราฝึกอยู่ได้เรื่อยสติของเราก็เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆสติอยู่กับตัวเองนี่แหละฝึกดูนะวิธีการฝึกสมาธิมีหลายๆอย่างพระพุทธเจ้าวางกรรมฐานไว้ทั้งสี่สิบอย่างนะนะไม่ใชน่น้อยนะกรรมฐานสี่สบเพื่อจะยึดจิตใจของเราให้เข้าสู่ความสงบแต่พระพุทธเจ้าบรมวัครูนะี่ท่านกำหนดลมหายใจเข้าออกน่ยอาณาปารสติเนี่ย